เพราะฉะนั้นณนะจากตรงนี้ไปเนี่ยเราก็จะเข้าสู่การปฏิบัติก็ให้ท่านทั้งหลายทําตัวให้พร้อมนะทาตัวให้พร้อมว่าเราจะต้องเข้าสู่การปฏิบัติแล้วแต่นั่งอยู่ในท่าเดิมๆก็ปรับเปลี่ยนหรือคิดว่านั่งไม่ค่อยไหวก็ไปนั่งเก้าอีอ้หาที่นั่งให้มันเหมาะจับให้มันเหมาะ ในการในการทำอนาปานสติสมาธิเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสัไว้อย่างที่เคยพูดกันยออ่อมเถื่อว่ามันจะต้องอมีขั้นเตรียมการแต่ขั้นปฏิบัติขั้นเตรียมการคือการสร้างความพร้อมก็นั่นก็คือว่าเราจะต้องจัดเวลาหาสถานที่ให้มันเหมาะหาสถานที่ให้มันเหมาะอิริยาบถก็ให้มันเหมาะ พร้พิฆเนศท่านจัดว่าเข้าไปอยู่ในปา่าโคนไม้เรือนว่างเรือนว่างอันนี้คือเรื่องของสถานที่เราไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอย่างนั้นเราก็ต้องจัดให้มันเหมาะสถานที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนแล้วก็สามารถที่จะนั่งได้ไม่ได้รับการเบียดเบียนจากความร้อนมากเกินไปไม่ได้รับการเบียดเบียนจากความเย็นจัดเกินไป ปรับให้มันสบายได้ที่สุดเท่าที่สามารถจัดได้เนี่ยสถานที่เมื่อจัดอิรยิยาบถอิริยาบถโดยทั่วไปที่พระเจ้าสัตว์นั้นว่านิสีดติบัลลังกังอาพุชิตตวาคือว่าให้นั่งคู่บัลลังคือใช้อิริยาบถนั่งทีนี้บางคนมันนั่งไม่ได้นั่งบัลลังคือการม้วนขาเข้ามาอย่างที่พวกเราเคยปฏิบัติเคยทํากันมาอย่างถูกต้องแล้วนั่น แต่บางทีแข่งขาในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนอย่างคนโบราณเกิดมามันก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกความสบายะของเราส่วนมากก็นั่งเก้าอี้กันนั่งกันจนเส้นมันยึดไปหมดแล้วกลายเป็นนั่งพื้นไม่ได้ไมนั่งพื้นไม่ได้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตนะเราไปฟังเฉพาะหมออย่างเดียวไม่ได้หรอก ไอคนโบราณนั้นก็อายุเก่าสิบร้อยหนึ่งแล้วก็ยังนั่งพับเพียบไหว้พระสวดมนต์ได้แเราไปบอกว่าการนั่งอย่างนั้นมันไม่ถูกร่างกายมันผิดส่วนอะไรอย่างงี้เราพูดอย่างนี้มันก็มีตัวอย่างให้เห็นคนในสมัยโบราณพอ ม, มาสมัยปัจจุบันอายุสี่สบห้าสิก็นั่งพับเพียบไม่ได้แล้วก็นั่งพระเพียบไม่ได้แล้ว แต่ที่นี้ไอ้ น, นี่เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเมื่อเราไม่สามารถนั่งขัดสมาธิหรือขัดสมาธิได้เราก็นั่งเก้าอี้แต่การนั่งเก้าอี้มันต้องเป็นอิริยาบถ ท, ที่เรียกว่ามันนั่งแบบตื่นตัวพร้อมสำหรับการทำความเพียรนะไม่ใช่นั่งพิงอิงแอบบแนบสบายอย่างนั้นเดี๋ยวแป๊บเดียวแบบเดีย ว, ยวมันก็หลับต้องนั่งแบบตื่นรู้คือว่าตื่นตัวนั่งตัวตรง พระพุทธเจ้าเลยตรัอีกคำหนึ่งว่าอุชุงกายังปานิทายะให้นั่งตั้งกายให้ตรงนี่นี่เรียกว่าเป็นการเตรียมอิริยาบถเตรียมที่เตรียมอิริยาบถจากนั้นก็เตรียมใจปริมุกังสติงอุปัฏฐเปตวา่าให้ดํารงสติอยู่เฉพาะหน้าคือเรื่องนี้มันเรื่องเรื่องที่กล่าวเป็นแรกๆว่ามันสาคัญอย่างไรเพราะว่าสภาพใจของเราในชีวิตเรา มันมีเงื่อนไขในชีวิตเยอะมากเพราะฉะนั้นจิตเรามันจึงไปผูกอยู่กับเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นพอถึงเวลาเราจะมาฝึกฝนอบรมสติมันจะต้องปลดปล่อยแค่น้อมนำสตินั้นกลับมาจิตนั้นกลับมารู้อยู่กับสิ่งที่เกิดอยู่เฉพาะหน้าพอรู้อยู่กับสิ่งที่เกิดอยู่เฉพาะหน้าวงมันไว้เล็กๆถ้าว่าถ้าว่าจะรู้ให้มันลึกลงไปอีกนะ ให้ลึกคําว่าปริมูคั่งสติงอุปัฏฐเปตวานี่ให้มันลึกลงเข้าไปคือว่ารู้มาที่กายที่ใจที่รูปที่นามเพราะที่กายที่ใจที่รูปที่นามเนี่ยรูปไอ้มันเลยรูปร่างเลยรูปร่างลักษณะว่ามือไม้แขนขาให้มันเลยรูปร่างอย่างนั้นไปมันก็สามารถที่จะทําได้นั่นก็คือการเข้าไปเกาะอยู่จุดใดจุดหนึ่ง อันนี้มันหยุดแน่นอนเช่นว่าเรามารู้สึกที่ใบหน้าของเราเบื้องบนเป็นหน้าผากเบื้องท้ายเป็นแก้มซ้ายเบื้องขวาเป็นแก้มขวาเบื้องล่างเป็นคางเหนือคางเป็นปากเหนือปากเป็นจมูกเหนือจมูกเป็นตาสองข้างให้ความรู้สึกมันเดินอยู่ในบริเวณใบหน้าอย่างนี้เรียกว่ามันดึงในการในที่มันรู้สึกได้แสดงว่ามันกลับมาจากสิ่งที่เป็นเงื่อนไขของชีวิตทั้งหมดที่มันเกาะกลุมกันอยู่อย่างนี้ก็มันจะได้เป็น เรีกว่ารู้อยู่เฉพาะหน้าทีนี้เราจะเข้าสู่การรู้ลมหายใจขั้นต้นในการปฏิบัติพระพุทธเจ้าตรัสเลยโซสโตัววะอสติสตัวปัสติอันตรมาจะต้องชี้แจงให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าท่านจะต้องซ้อมเรื่องการรู้ลมหายใจเพื่ออะไรเพื่อให้การรู้มันมีกำลังมากกว่าการกําหนดในเวลาเรา ดีๆเรานั้งกันอยู่อย่างนี้เราก็หายใจเราไม่ได้รู้ลมหายใจเลยร่างกายเรามันก็หายใจกันอยู่แต่พอเราจะมารู้ลมหายใจเราหายใจมันจะหยุดและลมหายใจนั้นมันจะเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกตามการกาหนดรู้ของเราแสดงว่าอะไรแสดงว่าลมหายใจมันทำงานสองภาคภาคหนึ่งมันทำงานโดยอโตเมติในการทางานของร่างกายเป็นอัตโนมัต อีกภาคหนึ่งมันทํางานไปตามการกําหนดของใจพอเราจะมารู้ลมหายใจลมหายใจที่ทํางานโดยอัตโนมัติโดยการควบคุมของสมองเป็ น, นกลไกอันอโตเมติของร่างกายมันหยุดมันมากลับมาอยู่ในภายใต้อำ น, นาจของการควบคุมของจิตใจนี่ไอจิตไอการที่เราหายใจมาทํางานอยู่ภายใต้การควบคุมของจิตใจนี้ มันจะต้องจัดสรรให้เขาถูกต้องไม่เช่นนั้นแอาณาปานาสติสมาธิมันจะเกิดยากเราจัดสรรให้ถูกต้องอย่างไรเราก็จะต้องฝึกให้ลมหายใจให้การเข้าไปสู่ลมหายใจนั้นมันมีอยู่สองสภาวะคือการกําหนดกับการรู้การกําหนดน่ะมันคืออะไรการกําหนดก็คือว่าการให้ลมหายใจ ออกไปตามการกําหนดของเราการรู้ก็คือการรู้สึกตอนลมหายใจที่เขากระทบที่เขาไหลออกตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจรู้ในขณะที่ลมหายใจก็เคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนๆนนั่นนะคือรู้การกําหนดคือการปล่อยให้ลมหายใจออกหรือเข้าตามการกําหนด เราเรียกร ว, รวมว่ากำหนดรู้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงต้องจัดให้รู้มีกำลังมากกว่าการกำหนดเราก็ทำอย่างไรก็ในวิธีการที่ได้ผลรวดเร็วและก็ดีมากสำหรับตรงนี้ก็คือการรู้แรกๆ ร, รู้แรกเรียกว่าต้นจิตของการรู้ลมนั้นให้เป็นลมที่ออก หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในทางปฏิบัติหรือเราหายใจเข้าไปก่อนหายใจเข้าโดยที่ไม่ต้องไปกําหนดดูอะไรหายใจเข้ายาวๆแรงๆพอลมหายใจเข้ายาวสุดหยุดลมหายใจไว้และตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกแล้วปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาช้าๆพร้อมกับจิตที่รู้สึกต่อลมหายใจนั้น พระลมหายใจออกมันเป็นลมหายใจที่เป็นธรรมชาติมากกว่าลมหายใจเข้าจิตที่รู้สึกตลมหายใจที่ไหลออกมันมีความกําหนดเบาวกว่าจะมีรู้ที่มีกําลังมากกว่าพอรู้อย่างนี้แล้วได้ไ ด, ได้ได้การกําหนดรู้ที่มีรู้มากกว่าการกําหนดอย่างนี้แล้วเราจึงไปรู้ลมหายใจเข้าได้ไม่ยากเรารู้ลมหายใจออกอย่างไร เราก็จะรู้ลมหายใจเข้าอย่างนั้นแหละอันนี้อันนี้มันเป็นเทคนิคนะฮะเป็นเทคนิคที่ที่เราไปต้องทําความเข้าใจกันไว้มิฉะนั้นสภาวะที่ปรากฏการรู้ลมหายใจเข้าการกําหนดลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกข้าออกโดยปล่อยให้การกําหนดมีกําลังมากรู้มีกําลังน้อยอีกหน่อยหนึ่งรู้ก็จะเบาและก็หายไปเหลือแต่การกําหนดมันก็จะเกิดอาการหลายอย่างทีเดียว เช่ว่ามือด้ายตอ ย, ยเจีบปัวอะไรเกรงแล้วก็มีมีมสภาวะก็ไม่เหมือนกันเพราะมันจะไปตันอยู่ตรงสมถะ ท, ทีนี้เราเลยปรับใหม่ใช้เทคนิคตรงนี้ข้อที่ชื่อว่าโซสโตวอัตสติสโตปั ส, สติเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้ทําเป็นอะไรทําเป็นว่ามีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าฝึกตรงนี้ หายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจวายและตั้งใจว่าจะรู้สึกอาลมหายใจออกหายใจออกมาพร้อมด้วยจิตที่รู้สึกอลมหายใจออกนั้นจึงมีปัญหาขึ้นมาว่าแล้วเราจะไปรู้ลมหายใจอย่างไรรู้ตรงไหนต้องวิ่งตามลมหายใจเข้าวิ่งตามลมหายใจออกไหมเรื่องนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าให้เราไปวิ่งตามลมหายใจเข้าวิ่งตามลมหายใจออกไม่ได้ ในอันตกาถามีท่านกล่าว ว, ว่าว่าอุปกเล์ของลมหายใจเนี่ยคือใจที่มันไปเหนื่งนุกอยู่ลมที่ไหลออกลมที่ไหลเข้า ว, วิ่งตามคือวิ่งตามลมหายใจออกวิ่งตามลมหายใจเข้าเนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์ต่ออาณาปานอสติสมาธิท่านต้องทำอย่างไรเราก็จะต้องรู้ตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงคืออะไรก็รู้ ตามสิ่งที่มันตอนลงหายใจมันกระทบตรงไหนล่ะพอเราหายใจเข้าจนสุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่ารู้สึ ก, กลมหายใจออกปล่อยลมหายใจใสออกมาช้าชาแล้วเราก็รู้สึกกับลมตรงนั้นคนไทยส่วนมากก็จะอยู่ตรงโพรงจมูกริมริ ม, มโพรงจมูกเหนือริมผีปากไปใกลๆตรงนั้นที่เรารู้สึกได้ พอรู้สึกได้ตรงนั้นแหละเป็นที่ตั้งของจิตรู้เหมือนกับป้อมยามที่จะเข้าหมู่บ้านเมื่อตะกี้ที่เราเข้ามาเนี่ยจะสังเกตไหมว่าเรารพอมันนั่งอยู่ในป้อมยามมันไม่ออกมาหรอกเพราะอะไรเพราะมันอยู่ตรงนั้นมันเห็นหมดนี่ก็เหมือนกันตรงจุดที่มันกระทบดอกเฝ้ารู้ตรงนั้นลมออกเราก็รู้ตรงนั้นลมเข้าเราก็รู้ตรงนั้นลมออกเราก็รู้ตรงนั้นลมเข้าก็รู้ตรงนั้นตรงนี้แต่เราคิดกันว่านิมิตท่านดึงบอกว่าผู้ที่ ไม่รู้ทำสามเรื่องทําอาณาปานสติไม่ได้ภาวนานี้เดินไม่ได้คือหนึ่งไม่รู้นิมิตสองไม่รู้ลมออกสามไม่รู้ลมเข้าถ้าไม่รู้ทำสามอย่างนี้ทําภาวนานี้ไม่ได้นิมิตคืออะไรนิมิตคือที่ตั้งของจิตรู้นี่แหละที่มันรู้สึกได้ถึงการกระทบนี่แหละที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่มันเคลื่อนและมันกระทบจนเรารู้สึกได้ตรงไหนเราเฝ้ารู้อยู่ตรงนั้น เข้ารู้อยู่ตรงนั้นลมออกก็รู้ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ลมเข้าก็รู้พอรู้อย่างนี้ได้พระพุทธเจ้าท่าสอนว่าเทคนิคในการที่จะทำสติให้มันมีกำลังแข็งแรงเพื่อที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจมันจะต้องบริหารการรู้ลมหายใจนี้ไปเป็นลำดับ ถ้าเรารู้ตรงนี้แล้วก็ต่อไปนี้เราก็เตรียมการตั้งกายให้ตรงอีกอันหนึ่งก็คือการทำใจให้มันมีกำลังเข้มแข็งอย่าไปย่อท้อต่ออุปสรรคเล็กๆน้อยๆเช่นความเจ็บความปวดความอะไรต่างๆเนี่ยอย่าไปยอมแพ้เขา ให้รู้ไว้ว่ามันไม่ตายถ้ามันปวดขานี่ให้รู้ไว้ว่าขามันไม่ฉีกไม่ขาดไม่พิการแน่แล้วก็ให้รู้ไว้ว่าอยู่ในห่วงเวลาที่มีกำหนดอยู่ไม่ใช่ว่านิดนิดหน่อยหน่อยแล้วสู้ไม่ไหวนิดนิดหน่อยนอยแล้วสู้ไม่ไหวนิดนิดหน่อยๆยแล้วก็สู้ไม่ไหวอย่าอย่าทาให้การปฏิบัติของตน ไปพ่ายแพ้ต่ออำนาจของกรรมฉันต่ออำนาจของนิวรณแต่ให้การปฏิบัติของเรามันเข้มค้นมีกำลังมันสามารถที่จะเอาชนะโดยปลูกไว้กับความเพียรความอดทนสัจจะนี่ให้มันเข้มข้นอย่างนี้ เมื่อเราได้ลมหายใจเป็นที่เรียบร้อยมีการรู้มีกำลังมากกว่าการกำหนดแล้วเราก็รู้สึกได้กับทำลมหายใจเข้ายาวทำลมหายใจเข้าให้ยาววันนี้ที่ต้องพูดละเอียดเพราะว่า มันมีหลายคนที่ฟังอยู่ในทางบ้านนะบางคนยังยังไม่เคยทำอาณ า, าปานสติบางท่านจะได้รู้ว่าการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่เรื่องยากมันง่ายๆมันอยู่แค่ปลายจมูกนี่เองต่อไปนี้พวกเราทำลมหายใจเข้ายาวพร้อมกับจิตที่รู้สึกต่อลมหายใจที่ไหลเข้ายาวคาว่ายาวหมายความว่า เป็นลมกลางกลางไม่ใช่ลมแรงกายเรานิ่งแล้วก็รู้ลมหายใจเข้ายาวขณะที่ต้นลมต้นลมมันเคลื่อนเข้าช่องจมูกจิตที่รู้มันรู้สึกตรงจุดที่กระทบว่าลมเคลื่อนเข้าผ่านไปตรงนี้ เราเฝ้ารู้อยู่ตรงนี้ไม่ต้องวิ่งตามลมนั้นไปไอตัวรู้ที่เฝ้าอยู่ตรงนี้แหละตัวที่ระลึกลงไปน่ะคือสติตัวที่รู้น่ะคือสัมปชัญญะเขาโตมาด้วยกันเราจึงเรียกตอนหลังเวลาเขาแข็งแรงแล้วว่าสติปัญญา ใ, ใจเข้ารู้ ทำลมหายใจยาวเข้ายาวออกยาวถ้ายาวเร็กๆถ้ายาวมากๆ ม, มันอาจจะทำให้อึดอัดเราก็ผ่อนให้มันยาวได้ที่สุดแต่ว่ามันยาวแบบสบายๆ ตอนที่ลมหายใจเขาเคลื่อนข้าวเรารู้ในขณะที่ลมเคลื่อนจิต ท, ที่รู้อยู่นั้นม่าอาจจะมีการซัดสายกวัดแกวงไปรู้สิ่งอื่นๆด้วยก็ไม่เป็นไรอย่าไปอย่าไปตีโพยดีพายว่าไอ้ทาไมมันรู้ลมหายใจไม่ได้ทําไมจะรู้สึกลมหายใจแต่ทาไมใจฉันมันไปรู้อย่างนั้นด้วยรู้อย่างนี้ด้วย ไอ้นี่อย่าไปตีโพยตีพายอย่าหาเรื่องใส่ตัวมันเป็นเรื่องปกติเราก็รู้เมนหลักคือลมหายใจที่ไหลเข้ายาวรู้หลักคือลมหายใจที่ไหลออก ให้จิตมันคว้าอยู่กับปัจจุบันให้มันเป็นปฏิปทาบริสุทธิ์ปฏิปทาบริสุทธิ์คือว่ารู้สิ่งที่ถูกรู้มันปรากฏตามความเป็นจริงลมหายใจก็เคลื่อนออกจริงเคลื่อนเข้าจริงรู้ก็รู้ตามที่ลมมันเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกจริงอย่างนี้เรียกว่าปฏิปทาบริสุทธิ์ ลมหายใจยาวรู้ข้าวยาวรู้ขอกยาวรู้ทำตัวตื่นตื่นะตื่นตื่นหมายความว่าพร้อมที่จะรับรู้ในความเป็นจริงของลมหายใจที่เคลื่อน ถา ก, กายนิ่งได้จริงแล้วลมของเราที่เราทำลมยาวมันจะแผ่วมันจะเบาลงสบายมันจะเกิดความสบายขึ้นมาลมนั้นก็จะปราณีตจิตที่รู้ก็จะปราณีต บางครั้งจิตที่รู้มันซัดายออกไปเราก็อย่าไปตกใจกลับมาเฝ้ารู้อยู่ตรงที่เดิมลมที่เข้าออกยาวนั้นบางทีมันก็แรงมั่งเบามั่งก็ไม่เป็นไรก็รู้ตามความเป็นจริงดูลมที่มันออกรู้ลมที่มันเข้าตามความเป็นจริงนั้น ขณะที่ลมมันไหลเข้าจิตก็รู้ลมไหลออกจิตก็รู้นี่มันเรียกว่าจิตมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เนี่ยอยู่ในลักษณะของอารมณ์อันเดียวถ้ากายมันอึดอัดนั้นแสดงว่าเราบังคับ การรู้มากเกินไปพอมันกําหนดรู้ได้ทําลมหายใจยาวได้ต่อไปเราก็เอารู้ที่ที่มรีรู้เนี่ยแตะการรู้ลมนั้นเบาๆมันเหมือนกับกงล้อที่มันหมุนอยู่แล้วเราเอามือไปแตะเบาๆแค่รู้แค่รู้เบาๆ แต่รู้นะมันมีกำลังมากเหมือนมือเราเนี่ยมีกำลังมากแต่ว่าเวลาเราไปแตะกลงล้อที่หมุนอยู่เนี่ยเราแตะเบาๆแตะเบา ๆ, บาๆ ร, ารู้ไปแตะลมหายใจนั้นเบาๆ ถ้ามันมีความฟุ้งฟุ้งคุกรุ่นอยู่ภายในเราจะต้องรู้ไว้ได้ว่ามันมีความฟุ้งอยู่ถ้าความฟุ้งอยู่อย่างนั้นเราจะต้องหาวิธีดับเราจะแค่ไปรู้ฟุ้งอย่างเดียวมันเอาไม่อยู่นะเราจะต้องหาวิธีดับดับคืออะไรดับ ก, ก็คือการลดอัตตสัญญา โดยการดูไปที่กายเนี้ยดูไปที่กายเนี้ยกายเนี้ยมันไม่มีชื่อกายนี้มันแค่สิ่งที่เป็นธาตุสี่ประชุมการเข้าส่วนของกายคือดินน้ำไฟลมประชุมกันเป็นกายมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแปรปรวนปรากฏมันเกิดมาตั้งเป็นแท่งกายอยู่นี้อีกไม่อีกไม่กี่เพลามันก็จะต้องแตกสลายไป มันไม่มีเราอยู่ที่กายนี้กายนี้มันไม่ใช่ของเราพิจารณากล้าพิจารณาอย่างนี้เลยว่าเรามันเรากำลังนั่งอยู่เนี่ยเรานั่งเพื่อการเจริญสติให้มีสติแข็งแรงเอากายที่ยังเป็นๆอยู่ซึ่งกายนี้อีกไม่นานมันก็จะต้องนอนแน่นิ่งเน่าเปื่อยย่อยสลายธาตุดินก็ไปเป็นดินธาตุน้ำก็ไปเป็นน้ำธาตุควยก็ไปเป็นควาย กลับไปสู่ความเป็นธาตุเดิมตัวตนที่ชื่อว่าเรานี้ก็จะหายไปไม่มีให้หลงเหลืออะไรอยู่อีกีเลยดังนั้นพอเราพิจารณาอย่างนี้เนี่ยมันกล้าพอที่จะพิจารณาอย่างนี้ความฟุ้งมันก็จะหยุดลงส่วนความฟุ้งที่เป็นเวทนาเช่นการปวดตรงเผ่าตรงแข้งตรงขาตรงโน้นตรงนี้แน็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้มันเล็กน้อยนะแต่เราถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ มันเจ็บตรงไหนก็ปล่อยให้มันเจ็บไปเราก็รู้แล้วก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจไอทาอย่างนี้เป็นการเป็นการดับความฟุ้งแบบตรงไปตรงมา เราไม่ให้รู้จักสติวันนี้เราไม่ให้รู้จักสัมปชัญญะวันนี้เราไม่ให้ใจมีคติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในวันนี้แล้วเราจะเอาในวันไหนอย่าว่าแต่พรุ่งนี้เลยแม้แต่คืนนี้เราจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะว่าร่างกายของเรนี้มรณะธรรมโบมรณะธรรมมันซ่อนอยู่ในชีวิต ความตายมันซ่อนอยู่ในชีวิตนี้มันจะออกมาอีกสักครู่มันจะออกมาก็ได้เย็นนี้มันจะออกมาก็ได้เรารอช้าไม่ได้นั้นในเรื่องการปวดนิดปวดหน่อยเจ็บนิดเจ็บหน่อยเจ็บนิดเจ็บหน่อยปวดนิดปวดหน่อยเมื่อยนิดเมื่อยหน่อยมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องมาเป็นอุปสรรค ในการที่เราจะมีสติกับลมหายใจที่กำลังไหลออกที่กำลังไหลเข้าตามความเป็นจริงพิจารณาใช้โยนิโสมานสิการไปพิจารณาเพื่อดับความฟุ้งออกตัวระลึกตัวระลึกนั้นเป็นสติตัวที่รู้นั้นเป็นสัมผชัญญะเราเรียกกันว่าระลึกรู้ ให้อยู่กับลมหายใจต่อเนื่องไปอย่างนี้ตัวระลึกก็จะมีความแข็งแรงขึ้นตัวรู้ก็จะมีความแข็งแรงขึ้นสิ่งที่ถูกรู้ก็จะปรากฏตามความเป็นจริงต่อไป เมื่อเราระลึกรู้เข้าไปสู่ลมหายใจทำลมหายใจยาวไปได้ระยะเวลาหนึ่งจนมันปกติได้รู้แบบปกติได้เอาจิตที่รู้เฝ้าอยู่ตรงจุดที่กระทบ ปรับลมหายใจปรับลมหายใจเป็นลมหายใจปกติที่ไม่ต้องไปกำหนดยาวเป็นลมหายใจปกติบางครั้งก็ยาวบางครั้งก็สั้นเป็นลมหายใจปกติตัวรู้ความรู้อยู่ตรงจุดที่กระทบลมหายใจที่ไหลออกไหลเข้าเป็นลมหายใจปกติให้มันสบายสบาย ปรับจิตที่มันไปกําหนดรู้ลมหายใจออกปรับจิตที่มันไปกำหนดรู้ลหออ ม, มลลหายใจเข้าเป็นการใส่ใจใส่ใจลมหายใจที่ไหลเข้าใส่ใจลมหายใจที่ไหลออกใส่ใจในลักษณะของการใส่ใจศึกษาแบบสนใจถึ่งมันต่างกับการกําหนด ใส่ใจศึกษาเรียนรู้ลมหายใจที่หลเข้าตั้งแต่ต้นลมเป็นการรู้ที่ประกอบไปด้วยการใส่ใจสนใจศึกษาเรียนรู้ต่อลมหายใจ ที่ไหลเข้าตั้งแต่ต้นลมว่าลมห้าวลมหายใจเข้าใส่ใจเข้าไปสนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้ความแรงความหยาบความละเอียดความเบาความแน่นความบาง ความเป็นจริงเป็นอย่างไรของลมหายใจใส่ใจศึกษาเรียนรู้ตรงก็ไปสู่ลมหายใจณจุดที่มันกระทบได้ตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจ จากนั้นก็เป็นลมหายใจออกใส่ใจศึกษาเรียนรู้สนใจลมหายใจที่ไหลออกตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจการใส่ใจสนใจศึกษาต่างจากการกำหนดรู้ การกำหนดรู้นั้นเป็นการกำหนดดูรู้ลมหายใจเป็นภาพรวมแต่การสนใจศึกษาสังเกตเรียนรู้ไม่เหมือนกันจิตรู้ตั้งอยู่ตรงฐานที่ตั้ง เมื่อลมหายใจไหลออกมามันก็เกิดความสนใจใส่ใจศึกษาเข้าไปที่ลมหายใจที่มันมากระทบแล้วก็ศึกษาเรียนรู้เข้าไปถึงความปรากฏของลมหายใจนะักขณะนั้นที่มันกระทบว่าลมนั้นเป็นอย่างไรตั้งแต่ต้นลมเป็นอย่างไรกลางลมเป็นอย่างไรปลายลมเป็นอย่างไรจนสุดลมหายใจความรู้จากต้นลมที่มันรู้พอจน สนใจรู้ตัวที่ระลึกเข้าไปสู่ต้นลมนั่นเป็นสติตัวที่ใส่ใจตั้งแต่ต้นลมลากมาจนกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจตัวรู้ที่มันคลอลากมานั่นเป็นสัมปชัญญะอยู่ในฐานะของคำว่าวิญญาณในองค์ของสมาธิ ถ้าเท้าชาขาชาก็แค่รู้แค่รู้ว่าขาชาเท้าชาแล้วก็ปล่อยมันไปมันชาตรงไหนก็ปล่อยมันไปตรงนั้นดูสิเรากลับมารู้ลมหายใจอย่างเดิม ตัวรู้ใหญ่มันหล่นลงไปในลมหายใจนะลมหายใจไม่ใช่เราเราไม่ได้มีอยู่ในลมหายใจนะตอนนี้สภาวะที่ปรากฏตอนนี้ก็คือว่ามีรู้ฐานที่ตั้งของจิตรู้แล้วก็ลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ ที่ตั้งของจิตรู้ตัวรู้ลมหายใจที่เป็นสิ่งถูกรู้และสภาวะที่มันปรากฏในขณะในขณะณตอนนี้จิตสนใจใส่ใจศึกษาเรียนรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าลมหายใจที่ไหล อ, ออกตั้งแต่ต้นลมกลางลมป ล, ลายลมไม่ต้องรีบร้อน เน้นใจเ น, น้นเน้นตัวรู้เข้าไปเพื่อใส่ใจศึกษาเรียนรู้ลมหายใจตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจที่ไหลเข้าต้นลมปลายลมกลางลมจนสุดลมหายใจที่ไหลออกสบายๆชา้ชาๆไม่ต้องรีบร้อน พจิตลงมาใส่ใจสนใจศึกษาลมหายใจแบบนี้มันก็เกิดสภาวะอย่างหนึง่งสภาวะที่ว่านั่นก็คือลมมันหยุดคือพอลมหายใจไหลออกสุดก่อนที่จะมีลมหายใจไหลเข้ามันจะมีสภาวะที่ลมมันหยุดแต่สภาวะที่ลมมันหยุดเราไม่ต้องไปใส่ใจมาก ตอนนี้ให้ดูมันจะมีพอลมหายใจออกสุดปั๊บจังหวะก่อนที่ลมหายใจเข้าจะเกิดมันมีตัวเค้าดูเค้ารอตัวที่เค้าดูเค้ารอลมหายใจว่าเหมือนกับรอว่าลมหายใจเข้าเมื่อไรจะมา ตัวที่เฝ้าดูเฝ้ารออยู่นี้ให้สังเกตว่ามันมีอยู่มันปรากฏอยู่ตัวรู้จะไปเห็นตัวเฝ้าดูเฝ้ารอ แต่เราก็แค่รู้แค่รู้จักเฉยๆไม่ต้องเป็นเน้นอะไรมากเพราะตอนนี้เราศึกษาเรียนรู้ใส่ใจต่อลมหายใจแต่ให้จิตได้รู้สภาวะที่มันปรากฏตอนนี้คือหนึ่งสภาวะที่ลมมันหยุด และส่วนมากลมหยุดนี้จะปรากฏตอนที่ลมหายใจออกสุดก็ตอนที่เราหายใจเข้าสุดสภาวะลมหยุดจะปรากฏให้เห็นน้อยเพราะร่างกายเขาต้องการที่จะหายใจออกของเขาเองแต่เมื่อเราหายใจออกสุด ถแรงใส่ใจสนใจเรียนรู้ลมหายใจพอหายใจออกสุดจะเกิดเป็นสภาวะลมหยุดขึ้นมาในบางครั้งเพราะว่าลมที่จะไหลเข้ามันยังมีการรอการกำหนดจากเราอยู่ใ้การคอยการจ้องการรอนั่นแหละมันเป็นตัวที่จะแบ่งกำลังเป็ดการกำหนดลมหายใจเข้า เราแค่รู้จักไอ้ตัวที่ก็คอยก็รอลมหายใจนะตัวนั้นแหละเป็นจตตัวที่จะเข้าไปกำหนดเราแค่รู้จักไอ้ตัวที่รอตัวคอยตัวจ้องตัวนั้นด้วยรู้จักลมหยุดด้วยรู้จักตัวรอตัวคอยด้วยมันเป็นความเป็นจริงที่ปรากฏแล้วก็รู้ลมไปตัวรู้จะไม่กระจาย เขาก็จะรู้ในสิ่งที่ปรากฏที่ก็สัมผัสได้และเขก็รู้ได้มันก็ไม่กระจายความฟุ้งก็จะเริ่มสง บ, บลง ถ้าปวดมากๆ ม, มันมันเป็นเรื่องของร่างกายนะถ้ามันปวดมากแล้วออขยับให้เขาสักหน่อยนึงแต่ถ้าเราทนไปอีกนิดนึงที่มันปวดมากมากทนไปอีกนิดนึงมันก็จะผ่านไปมันจะหายปวดแต่ถ้าเห็นว่ามันจะเป็นภาระต่อการรู้ลมหายใจมากไปก็ขยับแค่ น, น่อย มีสภาวะหลายอย่างเกิดขึ้นในแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ให้รู้ไว้ว่ามันเป็นเพียงแค่สภาวะที่ปรากฏเท่านั้นและในสภาวะทั้งหมดเหล่านั้นมันก็แค่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปอย่างมากก็เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ก็ดับไป ในระยะเวลาประมาณห้านาทีที่ผ่านมามันก็เกิดสภาวะที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปตั้งหลายตัวในระยะเวลาสิบนาทีที่ผ่านมาในขณะที่เรารู้ลมหายใจใส่ใจต่อลมหายใจมันก็มีสภาวะที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปตั้งหลายตัว มันก็ไม่แตกต่างอะไรกับชีวิตของเราทั้งชีวิตที่มันเกิดขึ้นแล้วดับไปสภาวะในห้านาทีสิบนาทีเมื่อตกี้ที่มันเกิดดับไปเกิดดับไปตั้งไม่รู้ทั้งกี่ตัวมันก็เหมือนกับชีวิตของเราไม่มีความแตกต่างมันก็เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเพราะฉะนั้นแม้เป็นความจริงที่ปรากฏก็รู้ตามความเป็นจริงด้วย เราก็จะไม่เห็นอะไรอื่นมันก็เห็นแค่เพียงการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแม้แต่เวทนาที่ปรากฏความเจ็บปวดที่ปรากฏนักขณะนี้ที่กายของเรามันก็เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้ามัน ย, าย้ายก็ขยายไปหน่อยเดียวก็แค่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป หหยใจออกรู้หายใจเข้ารู้ตอนนี้เราอยู่ในขั้นใส่ใจศึกษาเรียนรู้ลมหายใจที่ไหลออกใส่ใจศึกษาเรียนรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าแล้วก็น้อมใจเข้าไปแห่งในการใส่ใจศึกษาเรียนรู้นี่นะถ้มันเบาลงมาก็น้อมใจเข้าไปการน้อมใจมันจะต้องปรับไปตามสภาพของลมหายใจด้วย แต่ที่แน่ๆนนั่นก็คือการใส่ใจตั้งแต่ต้นลมคอยรู้คอยดูคอยศึกษาคอยจ้องตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมและจนสุดลมหายใจ ลำดับให้จิตรู้จากสภาวะที่เราได้เดินภาวนาด้วยกันตั้งแต่ต้นมาจนถึงตอนนี้เพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติต่อได้ พะเราใส่ใจต่อลมหายใจศึกษาลมหายใจอย่างนี้แล้วลมหายใจก็ไม่มีอะไรมากตอนนี้ลมหายใจของเรามันก็จะราบรียบไปอย่างนั้นต่อไปนี้ไปสนใจนะสนใจตรงที่ตั้งของจิตรู้คือที่กระทบ แล้วดูสภาวะลมหยุดสนใจที่กระทบแล้วก็ดูสภาวะลมหยุดรู้สภาวะลมที่หยุด อาจจะผ่อนลมหายใจได้ผ่อนลมหายใจได้ทำลมหายใจให้ก็ผ่อนลงมาผ่อนลงมาผ่อนลงมาได้แต่ให้มันสบายๆนะไม่อึดอัดเราก็ไปใส่ใจในที่ ในสภาวะที่ลมหยุดโดยให้จิตอยู่ที่ฐานที่ตั้งของจิตรู้คือตรงที่มันกระทบตมรี่ตรงที่ลมหายใจไปกระทบรู้ตรงนั้นตอนลมหยุดก็รู้อยู่ตรงนั้น พอลมหายใจเข้ามาก็แค่รู้ลมหายใจเข้าพอลมหายใจออกมาก็แค่รู้ลมหายใจออกมันจะมีคําว่าแค่รู้แล้วนะพอลหใใมห า, า, ายใจเข้ามาก็แค่รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกมาก็แค่รู้ลมหายใจออกแต่จิตจะนั่งปกติอยู่ตรงจุด ท, ที่กระทบแล้วก็ รู้ราวะที่ลมหยุดจิต ท, ที่รู้ลมหยุดมีอุเบกขาคือความนิ่งเป็นเครื่องอยู่ณขนาดนี้ความนิ่งเป็นปรากฏเป็นเครื่องอยู่ของจิตณขณะ น, นี้ตรงที่ตั้งที่กระทบ แต่เมื่อลมหายใจมาก็แค่รู้ลมหายใจเข้าแค่แรู้ลมหายใจออกแค่ร er ู้ลมหายใจเข้าแค่รู้ลมหายใจออกเมื่อลมหายใจหยุดก็รู้ลมหายใจหยุดใส่ใจไปที่การใส่ใจไปที่ลมหายใจหยุด มีกำลังของอุเบกขาปรากฏความรู้อยู่ตรงนั้นเมื่อลมหายใจมาก็แค่รู้ลมหายใจยามลมหายใจหยุดก็ควารู้อยู่ตรงนั้น มันมีความมีนิวรณ์ออกมาต่อต้านเช่นความอยากจะเลิกเพราะจิตมันอยากหาความสบายนั่นเป็นกรมมฉันการนั่งทนอย่างหดหิดนั่นเป็นพยาบาทความที่จิตมันจับจดไม่ได้นั่นเป็นความฟุง้งมันไม่สงบเลยนั่นแหละเป็นความฟุง้ง จิตรู้สึกว่าไม่สงบเลยนะเราเรากำลังเจอกับความฟุง้งเกิดการห่อเหี่ยวหวดหูขึ้นมาไอ้ น, นี่เป็นความลังเลสงสัยพวกนี้เป็นนิวร์ก็จะเกิดขึ้นมาเพื่อต่อต้านการเข้าถูกความสงบของจิตเราก็แค่รู้เท่านั้นไม่ต้องไปกรำอะไรมาก เมื่อสภาวะลมเหยุดคำว่าหยุดหมายความว่าไม่มีลมหายใจเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกทุกอย่างมันอยู่ในสภาพนิ่งเราก็เฝ้ารู้อยู่ตรงที่จุดกระทบณันกนขณะที่เราเฝ้ารู้อยู่นั้นมีกําลังของอุเบกขาเป็นเครื่องอยู่แต่เมื่อลมหายใจเคลื่อนมาเราก็แค่รู้แค่รู้ความปรากฏว่าร่างกายเริ่มหายใจเองก็ปรากฏขึ้น แต่ยังมีการกำหนดของจิตเราเข้าไปมีส่วนอยู่เราก็คว้าวรู้อยู่ตรงจุดที่กระทบมีกำลังของอุเิกขาเมื่อลมหายใจมาเราก็แค่รู้ลมหายใจเข้าแค่รู้ลมหายใจออก มีความคิดอื่นปุดขึ้นมาเรารู้ว่าเราก็แค่รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นแต่ความคิดที่จะเข้าไปจัดการกับลมหายใจอันนั้นเป็นสัญญาให้รู้ไว้ว่ามีสัญญาเกิดขึ้น ความคิดอันใดที่จะพุ่งเข้าไปหาลมหายใจก็ดีความคิดอันใดที่ที่จะดึงออกมาจากลมหายใจก็ดีให้รู้ไว้ความคิดนั้นเป็นสัญญาความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการรู้ลมหายใจเข้าความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการรู้ลมหายใจออกความความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการข้าวอยู่อุเบกขาตรงฐานที่ตั้งของจิตรู้ความรู้สึกนั้นเป็นเวทนาสัญญา เวทนาก็เกิดขึ้นฝันวกอยู่ในเจตนาที่มีต่อรู้และลมหายใจก็รู้มันเป็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงเราก็รู้ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงเราก็รู้นี่จะเกิดซ้อนขึ้นมาในสภาวะที่ลมมันหยุด แเราไม่ต้องไปสังเกตถ้ามันยังไม่เกิดถ้ายังไม่เห็นแต่เมื่อใดที่มันเกิดเราก็รู้ตามความเป็นจริงของมันที่มันเกิดถ้ายังไม่เกิดที่พูดนำไปเฉยๆมันก็จะเดินต่อมันเป็นทางปฏิบัติที่เราจะต้องเจอ ตัวสติที่เขาอยู่กับฐานตั้งของจิตที่มันระลึกตรงนั้นได้ถ้าอยู่ตรงนั้นมีความนิ่งมีอุเบกขาเป็นเครื่องอยู่ไม่กระสับกระส่ายไปไหนนี่เรียกว่าสติตั้งมั่น แต่ถ้ามันเมื่อยมากก็เปลี่ยนได้นะเปลี่ยนท่านั่งได้แต่ถ้ามันเดือดพุ่งอยู่ข้างในฟุ่งอยู่ข้างในก็ใช้หลักการหลักการที่บอกให้พิจารณาถึงท่าสีตัดตัดท่า ต, ต, ตัดขันเลยว่าเรากำลังอบรมจริญสติ พัฒนาสติให้มันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตเราอยู่มาจนอายุป่านนี้จะหลงาธาตุหลงขันหลงร่างกายของตัวเองอย่างเดียวไม่ได้คนที่เกิดมาพร้อมกับเราวันเดียวกับเราก็ตายไปตั้งเท่าไหร่แล้วจะมาถึงเรามาถึงวันนี้ในขณะที่เรานั่งอยู่มันก็ตายกันไปไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้ว ถึงวันนี้และต่อจากนี้อีกห้านาทีข้างหน้าเขาก็ตายกันไม่รู้เท่าไรหร่หนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นเราหนึ่งเจ้าโบงข้างหน้ามันก็ต้องตายกันไปเท่าไหร่หนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นเราครึ่งวันข้างต่อไปเนี่ยก็ตายกันทั้งเท่าไหร่หนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นเราเราจะเสี่ยงไม่ได้เราจะประมาทไม่ได้เราจะเพิกเฉยไม่ได้เรียกว่า<ส>ตัด<ญ>พิจารณาตัดท่าตัดขันอืม ต่อแต่นี้ให้ยกจิตรู้เข้าไปรู้สึกที่มือข้างฝานะขยับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึก้วค่อยคอเคลื่อนมือฝาด้วยจิตที่รู้สึกย้ายไปวางไว้ที่เข่าข้างขวาขายับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึก ยกมือซ้ายขึ้นแล้วก็เคลื่อนมือซ้ายช้าๆไปวางไว้ที่ข้อข้างซ้ายแล้วยกจิตที่รู้มาที่ใบหน้าของตนเองพะหกหน้าขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ลืมตาออกจากสมาธิ